สัมพันธ์กับสิ่งรอบร้อมอย่างแยงไม่ออกร่างกายเราอยู่ได้ก็เพราะน้ำอากาศอาหารซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราทั้งสิน้นใจเราก็เหมือนกันนะใจเราก็มีความสัมพันธ์แนบแน่นนะกับสิ่งภายนอกเมื่อเราตื่นขึ้นมาหรือ ตลอเวลาที่เราตื่นเราก็รับรู้อะไรต่ออะไรมากมายสิ่งที่เรารับรู้นั่นแหละนะมันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งภายนอกถ้าจำแนกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อรูปกระทบตาก็เกิดการเห็นเมื่อเสียงกระทบหูก็เกิดการได้ยินการรับรู้ ไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งใจเนี่ยนะมันก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากการที่มีสิ่งมากระทบสิ่งกระทบเรานั้นก็ส่วนใหญ่ก็อยู่นอกตัวเราทั้งนั้นแหละเรียกว่าโลกภายนอกทุกวันนี้เนี่ยเราก็ใช้กายใช้ใจในการดัดแปลง จัดการกับสิ่งภายนอกเดี๋ยวเพราะในยุคที่เรามีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ี่จริงเราก็ไม่ได้เป็นผู้กระทํากับสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะสิ่งภายนอกก็มากระทํากับเราด้วยเดี๋ยวเพราะไม่ใช่กับกา ย, ยาเดียวกับใจด้วยการกระทําที่ว่านี่มัเกิดขึ้นมาเมื่อมีการกระทบ ตากระทบรูปหูดินเสียงตากระทบรูปหรือรูปกระทบตาเสียงกระทบหูปีนกระทบจมูกบอกอ่อยครั้งก็มันไม่ใช่แค่กระทบเฉยๆมันกระเทือนมันกระเทือนที่ใจเกิดความยินดียินร้ายเกิดความพอใจไม่พอใจ เกิดความกลัวเกิดความกลัวอันนี้ว่าเมื่อมีการกระทบมันก็เกิดการกระเทือนขึ้นแล้วสิงที่ตามมามันก็เรียกว่าเกิดการบงการก็ได้นะเมื่อเกิดการกระเทือนขึ้นมาเนี่ยที่ใจเนี่ยเช่น เกิดความกลัวเกิดความโกรธมันก็นำไปสู่การโยวยวายตีโผตีพายโมโหโกรธาเหมือนกับว่าเราจิตใจของเราถูกบงการด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดการกระทบอย่างเดียว น, นะมันมีการบงการเกิดขึ้นตามมาเช่นเกิดอาการโวยวายตีโพยตีพายโมโหโกรธาแล้วมันก็นำไปสู่การต่อว่าด่าทอหลายคนอดรนทนไม่ได้นะพอมันมีเสียงดังกระทบหู หรือว่าเสียงตำหนิตีเตียนมากระทบหูหรือว่าตาเห็นข้อความที่ไม่ถูกใจทางโทรศัพท์มือถือมันไม่ใช่แค่กระเทือนที่ใจนะมันก็มนกัถูกบงการให้ต้องโวยวายตีโพยตีภายต้องต่อว่าด่าทอกไปอาจจะรวมไปถึงการไล่ล่าโตตอบ โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยก็วาดได้หลายคนก็พูดวายๆออกไปเมื่อมีเสียงบางอย่างกระทบหูหรือบางทีมีใครทำอะไรไม่ถูกใจเหมือนกับเป็นการหยามน้ำาน้ามก็ลืมตัวนะ ต้องตอบโต้ไล่ล่าเมื่อหนก่งสิบกว่าปีก่อนนะั้นมีผู้ชายหนึ่งกนเล่าให้ฟังขับรถกลับบ้านกลางดึกบ้านก็อยู่แถวพระรามสี่ขับรถมาถึงสามย่านตอนนั้นเนี่ยมันก็ดึกนะรถก็ไม่ค่อยมี ก็มีรถคันนึงเนี่ยปาดหน้าชายนั่งโกรธมากเลยนะขับรถไล่ตามเ่ยไล่ตามเรียกว่าอย่างใจจดใจจ่อแล้วถนนมันก็มันก็โล่งเสียด้วยเพราะมันดึกมันก็เรียกว่ามีการไล่ล่ากันไล่ล่าอยู่พักใหญ่เลยนะ มารู้ตัวอีกทีก็กโนโนอยู่แถวบางนาแล้วเลยบ้านนะแวพระรามสื่ไปไกลเลยทั้งที่ตั้งใจว่าจะรีบกลับบ้านแต่ว่าพอเห็นคนขับรถปาดหน้าเนี่ยเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธ ้ความโกรธความไม่พอใจมันก็บงการใจนะไม่ใช่บงการใจอย่างเดียวมันบงการทั้งเนื้อทั้งตัวเลยให้ขับรถไล่ล่ายาวไปถึงโนนะบางนานอันนี้เรียกว่าถูกบงการด้วยสิ่งเราสิสิ่งกระทบนี่นะมันไม่ใช่แค่กระทบเฉยเมันไม่ใช่แค่กระเทือนอารมณ์เฉยเฉยนะมัน สามารถจะบงการให้คนเราทำอะไรยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้แล้วคนเราทุกวันนี้เนี่ยก็ถูกบงการด้วยสิ่งกระทบมากมายเรียกว่าถูกมันชักใยบงการให้อารมณ์ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงและมันไม่ใช่แค่อารมณ์หรือจิตใจ รวมถึงการกระทำและคำพูดรวมถึงการเกี่ยวข้องกับผู้คนล้วนแต่ทำไปตามอำนาจของสิ่งกระทบนะซึ่งมันได้กลายเป็นสิ่งเราไปซะแล้วไม่ใช่แค่เราเฉยๆมันบงการเลยทีเดียวผู้ยานคือว่าเราก็กลายเป็นเป็นทาตนะของสิ่งกระทบต่างๆ ไม่มว่ากระทบทางตาทางหูทา ง, ทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ทางใจมันทําให้ชีวิตเรานี่เหมือนกับว่าถูกชักใยไม่เป็นอิสระแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันก็ลงเอยด้วยความทุกข์ทังความทุกข์ของตัวเองเพราะทําไปตามหน้าของอารมณ์แล้วก็ความทุกข์ของผู้อื่น เพราะว่าการกระทำและคำพูดที่ทำไปด้วยความลืมตัวเพราะการบ่งการของสิ่งกระทบหรือสิ่งเราจริงๆเราสามารถจะทำได้ดีกว่า น, นั้นนะไม่ใช่ปล่อยให้สิ่งกระทบมันมาบ่งการจิตใจรวมทั้งการกระทำและคำพูดของเราอย่างเดียว เราสามารถลงมือกระทำต่อสิ่งกระทบก็ได้ไม่ใช่สิ่งกระทบมากระทำกับเราอย่างเดียวนะเราสามารถกระทำกับสิ่งที่มากระทบได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันมากระทำกับเราฝ่ายเดียวแล้วเรากระทำกับสิ่งที่กระทบยังไงนะอ้าวอย่างน้อยๆก็ไข้ควรคร่ควรสิ่งที่มากระทบ ไม่จะเป็นรูปลดกิดเสียงสัมผัสรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆเรวมทั้งไข่ควรอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมันมีการกระทบขึ้นมาเรามีความสามารถใากการ่ข้ควรนะว่าเมื่อมีการกระทบแล้วเนี่ยเราควรจะทำอะไร ไม่ใช่ว่าพอมีการกระทบแล้วก็โวยวายตีโพยตีภายหรือคร่ำครวญที่จริงเราสามารถใคร่ครวญได้เวลาเราใคร่ครวญสิ่งใดในแสงว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นท่ายของสิ่งนั้นเรากำลังพิจารณาว่าเออมันถูกต้องไหมมันเหมาะสมไหมมันดีไหมเจอคำ ติฉินนินทาต่อว่าดาทอรหรือคำ ว, วิพากษ์วิจาร์แทนที่จะโกรธดโดยตโนมัติเราก็พิจารณาดูใคร่ครวนดูว่าเออที่เขาพูดมันจริงไหมมีประโยชน์หรือเปล่ารวมทั้งใคร่ครวนการกระทำนัไม่ใช่ว่าทำไปตามอำนาจการชักใหญ่การบงการของสิ่งกระทบอย่างเดียวเราใคร่ครวนได้ว่า ควรทำหรือไม่ทำควรพูดหรือไม่พูดเวลาโดนรถปาดหน้าความคิดชั่วแรกก็คือต้องตอบโต้แล้วก็ใคร่ควรวนได้เออควรทำไหมมันคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะเมื่อเราใคร่ควรวญแล้วเราก็โทบว่าเออปล่อยมันไปดีกว่าเพราะเรามีธุระที่บ้านต้องรีบกลับไปบ้านไม่ลืมจุดหมาย ไม่ลืมความตั้งใจนั้นถ้าเรารู้จักใคร่ครวญเราก็สามารถจะเป็นอิสระหรือเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ใช่ถูกชักใยบงการด้วยสิ่งกระทบหรือสิ่งเร้าอย่างเดียวตัวอย่างใคร่ครวญเรายังสามารถหาประโยชน์จากมันหาประโยชน์จากสิ่งกระทบนี่แหละ หาประโยชน์อย่างไรนะอาอ่ า, อามันก็อาจจะเอามันมาใช้เพื่อฝึกความอดทนของเราเอามันมาใช้เพื่อฝึกสติเราจะมีความยับยั้งชั่งใจได้ไหมเราจะมีความอดทนได้ไหมกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าไม่รู้จักไม่ไ ม, ไม่ไม่มัวแต่ปล่อยใจไปตามอารมณ์อย่างที่พูดเมื่อวานใช้ประโยชน์มันในการฝึกปล่อยฝึกว่าง การใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือการรู้จักเปลี่ยนหลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านพูดอยู่เสมอนะอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็เปลี่ยนให้เป็นรู้นี่คือการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งนะที่เราทำได้เมื่อมีการกระทบขึ้นมาไม่ว่ากระทบทางตาทางหูทางทางลิ้น ท, ท, ท, ทางกายหรือทางใจ มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับกายเช่นทุกขเวทนาสุขเวทนามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับใจเช่นยินดียินร้ายสุขทุกขพอใจไม่พอใจโกรธโมโหเราก็มาใช้มันให้เป็นประโยชน์คือเปลี่ยนให้เป็นรู้อะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจนี้เปลี่ยนให้เป็นรู้ให้หมดมีความโปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็ เปลี่ยนให้เป็นรู้คือรู้ว่าปวดรู้ว่าเมื่อยไม่ใช่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยมีความโกรธความหงุดหงิดนะก็เปลี่ยนให้เป็นรู้คือรู้ว่าโกรธรู้ว่ามันหงุดหงิดเนี่ยอันนี้คือการเปลี่ยนให้เป็นรู้แบบง่ายๆแล้วเราก็ต้องนะ ถ้าเราเป็นผู้ไฝไใฝ่ทำใฝ่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องทำอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องพื้นฐานเลยอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็เปลี่ยนให้เป็นรู้หลวงพ่อคเขียนท่านพูดดีนะบอกว่าเนี่ยเอาสติเป็นนักศึกษาเอากายกับใจเป็นตําราเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นนักศึกษาได้และควรจะเป็นด้วย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยหรือถึงแม้ยังเป็นนักเรียนประถมแต่เราก็สามารถจะเป็นผู้ใฝ่รู้ได้ด้วยการเอาสติเป็นนักศึกษาเอากายกับใจเป็นตำราใช้ใชสตินี่แหละอ่านกายอา่านใจ ใช้สตินี่แหละเพื่อรู้กายรู้ใจอันนี้มันเป็นงานพื้นฐานเลยนะที่หลวงพ่อคำเขียนชอบใจเําว่าอาชีพอาชีพหรือจะพูดยางคือเป็นชีวิตนะนนเราต้องใช้ชื่อของเราเนี่ยยี่ยงนักเรียนนักศึกษาผู้ใฝ่รู้โดยการเอาสตินี่แหละ เป็นตัวเปลี่ยนากายวาจาอากายใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจให้เป็นความรู้หรือว่าใช้สติเนี่ยเป็นเหมือนตาในเพื่อเพื่อให้รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเนี่ยอย่างแรกก็คือว่ารู้ว่ากายกาลังทำอะไรกำลังนั่งอยู่ใช่ไหมกาลังยืนอยู่หรือเปล่ากำลังเดิน กำลังนั่งนะอย่างที่เราได้สาธยายนะการจริสติปัฏฐานเมื่อเดินเมื่อยืนเมื่อนั่งเมื่อหลับเมื่อตื่นเมื่อคุยเมื่อหนึ่งก็รู้เดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังกินดื่มเชื้อมลิ้มก็รู้นะ นี่เรืรู้กายโดยไม่ต้องภาคไม่ต้องมีเสียงภาครู้ใจก็คือว่าเห็นความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบนะดีหรือร้ายกุศลหรืออกุศลรู้ต่อไปก็รู้ว่ากายกระจายมันสัมพันธ์กันอย่างไรนี่มันน่าศึกษานะกายกระจายมันสัมพันธ์กันอย่างไร เราก็เห็นได้ไม่ยากถ้าเรามั่นสังเกตโดยมีสติ เ, เป็นตาในเวลากายมันป่วยใจมันก็หมดหมองเวลากายมันหิวใจมันก็งดหงิดเวลาใจเวลากายได้พักผ่อนใจก็สดชื่น อันนี้ร่างกายเนี่ยมันไปมันไปมีผลตอ่อใจหรือแม้กระทั่งเวลาเราเดินเนี่ยถ้าเราเวลาเดินจงกลมเนี่ยเดินไปถ้าเราเดินเร็วใจก็ฟุง้งเวลาเดินชา้าใจมันก็อาจจะเครียดเวลาเราทอดสายตามองไปไกลๆใจมันก็ฟุ้งง่ายแต่เวลาเราก้มมองมาใกล้มองมาที่พืน้นก็อาจจะเครียดง่ายหน่อยอันนี้ร่างกายส่งผลต่อใจ ส่วนใจก็สงก่งผลต่อต่อกายนะถ้าใจฟุง้งมันก็กายก็ไม่ถึงเวลาหลับก็ไม่ยอมหลับหรือถ้าเกิดว่าใจเครียดมีอารมณ์เครียดมีอารมณ์โกรธความดันก็ขึ้นหัวใจก็เต้นเร็วหรือบางทีก็ปวดนะปวดนั่นปวดนี่หาสาเหตุไม่พบนะ พรมัวแต่ไปหาสาเหตุทางกายากทั้งที่สาเหตุที่แท้คือใจมีความเครียดมีความกังวลบางคนนี่กังวลมากๆเครียดมากๆใจก็สั่นหัวใจก็สั่นให้เราลองสังเกตดูเนี่ยอันนี้ก็เป็นตํารานะที่มีอะไรให้เราเรียนรู้ได้เยอะแยะเลแล้วต่อไปก็จะเรียนรู้ว่าเออมไม่ใชใ่กายทุกข์เพราะอะไร แต่งรู้ว่าใจทุกข์เพราะอะไรด้วยเวลาโกรธมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันก็โกรธมันต้องมีเหตุปัจจัยเวลาเครียดเวลาวิตกกังวลเวลามีความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเกิดขึ้นลอยๆเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยอาจจะได้แก่การคิดนะพอคิดมันก็โกรธคิดเรื่องอะไรนะคิดเรื่องที่เขามาใครบางคนมาพูดไม่ดีกับเรา หรือพอคิดถึงความพัดภาาสูญเสียมก็เศร้าหดหูแลายต่อไปมันก็เห็นได้ว่าไอ้ความทุกข์มันไม่ใช่เกิดเพราะมีสิ่งมากระทบอย่างเดียวนะมันไม่ใช่ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วมันจะทุกข์เพราะว่าเป็นรูปบางอย่างเพราะว่าเป็นเสียงบางอย่างแม้จะเป็นเสียงดังนะแต่ว่ามากระทบหูมันก็ยังไม่ทุกทันทีนะ กระทบแล้วมันไม่ใช่แบบกระเทือนทันทีนะถ้าสังเกตก็จะพบว่ามันเป็นเพราะการปรุงแต่งที่ใจหรือการปรุงแต่งของใจเสียงกระทบหูถ้ารู้สึกว่าหรือปรุงหรือปรุงแต่งให้ข้าวว่าเป็นสิ่งไม่ดีมันก็โกรธมันก็ไม่พอใจแม้จะเป็นเสียงไพเราะเสียงเพลง ซึ่งปกติพอกระทบหูใจก็ยินดีแต่บางครั้งเสียงเพลงกระทบหูแล้วทำไมใจมันหงุดหงิดเพราะเป็นเสียงเพลงที่ดังในเวลาและสถานที่ที่ไม่เหมาะสมะเช่นเสียงริงโทนจากโทรศัพท์มือถือขณะที่กาลังนั่งสมาธิกาลังฟังคำบรรยายมันผิดกาลเทศะาแม้เสียงจะเพราะแต่พอกระทบหูเข้า มันก็หงดหยินแต่มันกระทบทันทียังไม่หงุดหยินนะมันต้องมีการปรุงแต่งหรือให้ค่าว่าไม่เหมาะไม่สมควรในเวลานี้ในสถานที่นี้นี่เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งเป็นการให้ค่าด้วยใจของเราเสียงดา่ามากระทบหูไม่โกรธก็ได้ ถ้ามองว่าเออมันเป็นสิ่งที่มาฝึกช่วยขัดเกากิเลส น, นะเดี๋ยวพ่อะจะเป็นเสียงครูบาอาจารย์ก็น้อมรับเดี๋ยบางทีอาว่าครูบาอาจารย์ไม่เคยว่าใครนี่มาว่าเราใจว่าท่านเมตตาเรามากแล้วท่านให้ความสําคัญกับเรามากพอคิดแบบนี้ก็ไม่โกรธอันนี้พ่อมีการให้ค่า เมื่อมีการกระทบแม้สิ่งกระทบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะกระเทือนไปถึงใจทันทีหรือทำให้เกิดทุกข์ทันทีมันต้องมีการปรุงแต่งมีการให้ค่าอันนี้เราจะไม่เห็นนะจนกว่าเราจะสังเกตดูใจของตัวเองแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเป็นนายเหนือสิ่งกระทบได้ กระทบยังไงใจก็ไม่กระเทือนเพราะว่าไม่ได้ให้ค่ามันไปในทางลบหรือแค่มีความรู้สึกตัวมีตัวรู้แค่รู้นะมันก็มากพอนะที่จะทำให้ใจนี่กลับมาเป็นปกติได้เพราะนั้นเนี่ยการรู้จักเปลี่ยนสิ่งกระทบไม่ว่า เกิดขึ้นที่กายหรือที่ใจให้เป็นตัวรู้นี่สำคัญมากแล้วเราทุกคนก็ต้องหมั่นเป็นนักศึกษาเนี่ยเอาสติเป็นนักศึกษาเนี่ยเอากายและใจเป็นตําราแล้วต่อไปมไม่ใช่กายและใจอย่างเดียวนะโลกภายนอกด้วยรูปรถกลกินเสียงสัมผัสพวกนี้มันก็เป็นตําราได้มันสอนให้เห็นนะว่าเออไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยกายกับใจก็ไม่แน่นอน การภายนอกก็ไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียเพราะเป็นความรู้เป็นของดีทั้งนั้นเลยเมันจะไม่มีคำ ว, ว่าทุกข์มันมีแต่ว่าได้กำไรไม่มีคำ ว, ว่าขาดทุนเพราะว่ารู้จักนะเปลี่ยนไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจตลอดจน รูปรสกินเสียงสัมผัสเปลี่ยนให้เป็นรู้ให้หมดมันก็จะกลายเป็นของดีมีประโยชน์